ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันเปิดงานเป็นทางการนะฮะเอายังบุท่านได้ถักทายเจ้าของบ้านเบน้อง d a อามามาดูลนะเจ้าของบ้านเบิ้นง d e บรท่านได้ตอบรับเด้แรื่นั้นยาวันนี้เป็นวันวิสาขนำแล้วก็เป็นวันพระนำเป็นวันที่เข้าหล่มต้นดำเนินการเรื่องของการภาวนา ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะนั้นยำแรงนี่จะได้ในมูลพอาจารย์ดวงผเนร์เป็นใดว่าวทักทายกูโม่เฮาก่อนว่าในช่วงที่ได้เปิดอบรมมานี่สองสามปีเป็นอย่างไรเป็นประเมินผลออกมาเป็นยอย่างไรจะดำเนินงานต่อไ ป, ยไปอย่างไดนี่เพื่นเคจะบอกให้ฟังฟังนโยบายของเพื่นในฐานะเป็น วนาประธานสูง้าหากว่าเฮ็ดงานไปแบบบ่มีแผน บ, บ่มีแผนงานขยายงานงานเหมือนกับบอดาก้าวห น, น้าเราก็ฟังเป็นได้บอกเฮาฟังว่าสําหรับข้อ น, นี้เป็นยังไงเพราะว่าเป็นธุระทั้งสองอย่างถือเป็นเหตุทางคันธะธุระและวิปัสนาธุระธุระ ท, ทั้งสองอย่างเพื่อดําเนินไปอย่างไดมีนโยบายอย่างใดเป็นอย่างว่าเฮาฟังขอกลับรัฐนาในมลาจาร ในนูยนนี่นลนเลยบุ๋นนี่ใส่อ ย, อยู่นี่ ก, ก็การธรรมสการหลวงพ่อครนะพร้นะพอมโดยพระมหาอภัยอัตมาผาจารย์ดวงพเนจมิงชีสุพรรณถือว่าเป็นประธานคณะสงฆ์ ของวัดลาวโซเลคุทารามแห่งนี้วัดนี้ก็ได้สร้างขึ้นมาก็ได้สิบปีสิบปีนี้นี่ละแต่การปฏิบัติศา ส, สนาคิจอยู่ที่วัดของพวกเขานี้ส่วนหลายแล้วเขากะ ปฏิบัติทางงานประเภทนี้หลายกลัวงานประเภทนี้ก็คือฮหตุทสองของ1ิสี่ของเขาที่เคยได้ประพฤตปฏิบัติกันม า, าจะเป็นบุญเขาพันศาออกพันศาบุญเขรร่ากมบุญประทัดหลวง บุญกระินบุญมาข่าปูซาวิสาข่าปูซาพวกเขาก็มีแต่ทมเป็นแบบประเพณีมีแต่ไหวพระหับศิลธรรมดาและก็ตักบาทออฟังธรรมเทศนาก็เทศนาแบบประเพณีเอาละ กัคันเทศสนาเรื่องลึกร้เข่าหาศีลหาธรรมหาหลักการปฏิบัติในส่วนหลายละออกตนญาติโยมของเขากัาางบ่มันได้เข่าหาการปฏิบัติทางสมถิภาวนา แต่ส่วนใหายแล้วพวกเขาก็มีแต่าการบำเพ็ญทานาก็าวว่ากันแต่เรื่องทานเรื่องหักษาศีล น, นี่ก็ยังบ่กคอยเท่าดาดวันศีลวันพระเขาก็บอะไรมาจำศีลกันวัชิมาอ่านหับศีลแปดปอปวดซีพามบอปวดขขาหนุงขขา อันนี้ก็มีน้อยส่วนลายแล้วก็มีแต่ปเถ่าวูแกแต่ก่อนนั้นก็มีไม่ตุยุ่งหนแล้วันศีลมาแล้วกะพอได้หัวจากว่าโอ้เป็นวันศีลเนอะอสักส่วนวนต้านลูกลานไปลงไปไหวพระมือนีอ่วันศีลได้ตัวเองบัดสัปหามัวได้ ต้องโทรให้ผู้นั้นไปหับโทรให้ผู้นี้ไปรับเราก็ได้กิต่อมากะคือจังซีแหละเราก็ตายป้าเลยดิเราตายป้าแล้วกะยากแล้วก็มีแต่แม่เท่าสีฟองนี่แหละตอนนี้ก็ได้แต่กะเรื่องการปฏิบัติ ทางด้านสมาธิภาวนาจะเป็นสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเฮ้ากับบ่อคอยได้ประพื้นปฏิบัติกันเปิดพื้นก็มีแต่ไหวพ้าตอนเศร้ า, าแล้วกับ้าหนังสมาธิไหวผ้ายมือแรงกับผ้ากันหนังสมาธิน่องนุงกัน หากันเห็นนำโยต่อนเขาพรรษาออกพรรษาแล้กกาถือว่าบบปานใดเพราะว่ามันเป็นประเภทนี้มาใ่เมืองเล่าการเข่าพรรษาจังไหวพระสวดมนต์การออกพรรษาแลกก็เล่แล้วผ่าทรงองค์เจ้าก็ได้มิแต่พากันไปหาเหียนนั้งเหทั้งสือทั้งอื่น สมมนําเหียนหนังสือกับปัจจุบันนี้กัมีแต่เหียนทั้งโลกเอเหียนมัทธยมสงคาพื้นมัทธยมสงกับบริเฮียนทั้งสงฆ์ธรรมวินัยบ่มีเลยมีแต่เหียนการเมืองเคมีอย่างไปอย่างสันงกก่นจบออกมาค่ะถือว่าไปเป็นครูก็ได้ไปเหตุล่าเหตุการณ์ได้เลยเอ พะว่าศึกษาทางพุทธศาสนาสิเขาไปแล้วนู่มีเีตเหตุเไปกับบุญกิเยนจำวน้ำกับรัฐบาลก็บม่ได้ส่งเสริมทางด้านนี้แนมีแต่ผู้ใดเฮียนเราด้วยตนเองศึกษาด้วยตนเองเบิดประเทศลาวหันที่ว่าศึกษาทาง ด่านวิปัสนากรรมฐานก็นมิตวัดโสภปหลวงเยนี่ก็ออกขยายออกไปกับวัดนาคูณ น, น้อยหัน้นอัตมาเนี่ยไปวัดโสภปหลวงอาจารย์ใหญ่เพื่นผ้าไป น, นะถวาย น, าน้าปณะเพื่นปฏิบัติธรรมขึ้นจากไปปฏิบัติน้าเพลิอนอยู่ ห, าห่างโมโหเพื่นปฏิบัติกันอย่างไรขึ้นย่าน เกิดย่านซ้ำย้อนอย่างละย้อนพ่อแม่คุบารอาจารย์บ่อคอยแนะนำก็เลยเกิดย่านมีแต่ไปถวายน้ำป้านะเพิินแล้วกับผ้าขนเขียวกับว่าห่วว่าเพิ่นปฏิบัติกันอย่างไรเหตุกันอย่างไร อ, อยู่โศกประหลวงหันเพิินกับพยายามยู่ยเรื่องอ น, นาการศึกษาทางด้านพุทธศาสนา จะเป็นธรรมกะกระเิบบอจังสีเนี่ยเพิ่กนกามาปฏิบัติกันอยู่ในนั้นแต่ว่าเฮาผู้เป็นผู้น้อยเกิดใหม่ใหญ่รุ่นบ่ท่านได้เข้าใจยังทางด้านพระพุทธศาสนาอยากศึกษาอยากคำยนแต่ว่าบ oh ua, ุหู้ว่าเจี่ยวร่างใดจรวดตกมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาคนสนใจเรื่อง วิปัสสนากรรมฐานสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาจังมีความโหยสึกขึ้นมาว่าศาสนาพุทธิเทพจริงนี่มันคืออี่ังมันเหม็นยังแท้แท้และเขาสีเฮียนจังใดขั้งแรกก็ได้แต่เฮียนไหวพระสวดมนต์ขึ้นบ้านนำพาออกตนญาติโยม สร้างน้ำกระทำบุญบุญต่างๆบุญประเพณีก็คือว่ามันจบเลยบอกแต่ว่าบานมาคืนเบึงแล้วมันบมจบมันยังหลายอีหลีพระพุทธศาสนาในตอนนั้นถูกแนกับปานนี้ถูกทั้งด้านจิตทั้งด้านใจเพราะว่ามาอยู่ประเทศอเมริกาที่บ้านเขาจเจริญแต่ตัวเองหมดจเจริญ น, น้ำเขา ขนาดอยู่กับผ่ากสาววัพัฒ์อยู่กับผลทางแห่งความพ้นทุกยังบุหูจักว่าสีเอาจึงใดให้ลองขิดเบิ่งออกตอนาญาติโยมจังได้บืนเข่าหาพระพุทธศาสนาที่แท้จริง จ, จ, จ, จ, จ, จ, จ, จ, จึงได้เอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่ก็ลายเอาแท้ องหนึ่งไปทางหนึ่งองหนึ่งไปทางหนึ่งจักองใดผิดจักองใดถือเขาก็ เ, า เ, กเลยบูฮู้ว่าเสีย อ, องใดแต่ตัวเองนี่มีความหูซึกแต่ว่าอยากได้ความจริงอยากได้สัจธรรมแห่งความจริงวาใดถือรักทำคาสอนของพระพุธทธเจ้าจรแท้จริงจรจรจรจรจรจรจรจรจรจรจอกรจรจรจรจร อยากปฏิบัติปัญหาคูบาอาจารย์ทีอยู่น้ำกันกาโงคงที่ปฏิบัติน่มันก็ดปกค่อยมีเทา่าไดรกันอยากปฏิบัติกะาอหมูบานนี่ตกหมูแห้งเป็นแห้งตกหมูกาเป็นกาเนาะคัญชีว่าแล้วก็ได้กันสิเหตุแปลกๆหมูกัะพันบไดาย แต่ว่ากระหูว้ว่าสเหตุอย่างใดผู้แล้วไปรีเหตุเอาอจานนี้ได้รีเหาอใดนั่งสมาธิเนี่ยเพราะว่ากันมเห็นมูว่วเยอะเดเดระไอ้จิเป็นผาอหันเลยเนาะวะฮขกอายตัเนาะเขาก็บว่าป้าอรหันเป่นยังอีกีีรถเก่าป้านละในยอดวัดวันนี้ป่าเน่ยน้อยหนึ่ง เออไปลี้เยาวันนี้ได้ปฏิบัติเข่าแนห้องจักรชินจักรธแรมในเล็กๆนน้อยโอ้ยเป็นจอมายากเทศจากซ้อนหม่ไปเนี่ยจากซ้อนเดี่ยเนี่ยจากเทศเทะเทศอันเทศออกมากขันชีวาออกมาผัตัวเองกะอันนึงกัเป็นผ้าผููน้อยอันสองมากกับแบบในลักษณะคือมันห้อนวิชานี่นะ จากสิบไปห้อนมือไดว่าฉันทอเพราะว่ามูมูบวชอยู่น้ำกันหันมาน้ำกันแต่ประเทศลาวหันมีสององคอ์องนั่นกับเขานักได้ในการปฏิบัติเนี่ยโอ้สัญญาตัวตัวเองแล้วก็สัญญาตัวมูลเลยเกิดซาดนี่ขอตายก็ผ่าเหลืองวัชนเนี่และกระโบมปนก็ผ่าเหลืองซื่อๆได้ กับผ่าสีเหลืองอีกตอนนั่นคุ้มสีเหลืองนี่โอ้ยอย่าเฝ้าเฝ้านะตัวเองวะ่ะท่านนี้พ่อทอดาจะไปมั่นใจบานนั่นโอ้ยข่อยนี่มั่นใจเกิดซาดนี่ขอตายก็ผ่ากระาวผัดก็ผ่าสีเหลืองนี่แหละวะฉันเอ่อเมื่อหนึ่งไปสันเข้าบ้านมันมีมาหาองค์หนึ่งท้วงอยู่วันไทยดีซี เราก็ท่วงว่านี่พผ้านุ่มๆแถวนี่เนี่ยได้บัตรเขียวนี่ซิกเบิสแล้ววาชั้นเนี่ยโอ้ยเราอยากใายอย่างใหญ่เลยเออเราก็บอกว่าพามาหาขน้อยผมได้บวชเพื่อบัตรเขียวเลยว่าชั้นขน้อยบวชเพื่อความรุดพ้นแล้ว <c oughs> โอ้ยแล้วก็เอาจริงเออแต่กหมูเดียวกันนี่แหละรุพนจุดท้ายได้บัดเขียวสองเดือนซิกอะไร โอ้ยจิตใจเสียดายอ่าวันนี้เวลาสิกเตเดึกเวลาสิกรณญาทานยาทานถามว่าสมมาฉันใสว่าสิตตายอันนำผ่าเหลืองเหรอสันโอ้ยมันเป็นอา น, นิจจังยาทานแล้วเ <laughs> ออแต่ความจริงแล้วฮนาะขันเมนอยู่ในบ่อนสถานที่วัดเผื่อผ่าปฏิบัตินี่นะ แม่นไปได้ดีได้แต่ว่าตอนนั้นบมฮูจากไซบมฮูจกักพวาอยู่วัดเล่าวโดวงนี่ก็มันเป็นวัดอยู่ในฟาร์มแล้วก็ต้องได้ขี่รถดปหาในเมืองนี่เป็นสี่หาสิบนาทีความจริงแล้ววัดปฏิบัติแถวนั้นมันก็มีอยู่แต่เฮาบมฮู คือวัดอยู่เวสซิวีเนียนี่แต่กับเป็นวัดของอาจารย์ศรีลังกาจากมาจากมาได้จากมาปฏิบัติน้เพืนในตอนนั้นแต่กับบอก้ว่าสิไปทางใดอสิไปแบบใดไปด้วยวิธีใดมีแต่ได้เงินได้สือ่อบัด น, นี้ข้าพุทธิ์ขึ้นกมีแต่พุนขึ้นเซวัตรอยู่ทางเมืองไทยทําเมืองไทยตอนนั้นกัไปไม่ได้ ดเขียวกับบุมีทั้งเศษหนังสือกับบุมีสน่านจิงว่าคืออัตมาเนี่ยอยู่นี่เนี่ยกับสุดแต่อยากพาออกตอนญาตโยมประพฤติปฏิบัติทางด้านนี้เพราะว่าฮู้แล้วว่าสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่แท้จริงนะคือการ ประพฤปฏิบัติลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจริงจะหู้และกาเข้าใจได้แต่บา ร, รมีของอาตมามันกายังน้อยว่าสามารถที่จะนำพาออตนญาติโยมามาประพฤติปฏิบัติที่แท้จริงได้และกาอันนึงกิดอยู่นในการ ปกครองเนี่ยมันก็แลกอยู่ได้เพราะว่าเราเราปกครองและแต่ละมอมันก็มีหลายอย่างที่จะขิดแต่ความจริงแล้วความูลซึกของอัตมาในข้างแรกๆเนี่ยอยากได้วัด อ, อยากได้วัดแต่วัดนั่นคือจะบ่อทามันใด ใหญ่โตมโหลานอยู่ไปวันวันมีเงินขาดน้ามขา่าไฟขา่าโมเกตและกาแล้วแต่ว่าอยากมาเอาร่างการไหวพาภาวนาพี่หลายกลัวอันนี้ในความหูซึกแต่งแต่สมัยอยู่เวอร์จิเนียแต่ว่าบานมาจริงๆแล้วมันกับว่าได้ มันกับกบคืนไปหาแบบแต่มีแต่งานประเภทนี้กันยังใครแต่มันยังมีงานลื่นเลงอีกยังเข้ามาอีกสิ่งที่เฮาโบปาธนาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นก็นเลยว่าได้เหตุได้ทำฉะนั่น เมื่อเขาทางานทางประเพณีหลายมีงานทางประเพณีหลายจิตใจออกตนหยติโยมมันก็ไปทางประเพณีมันไปทางความมวนความสื่อหลายโพดข้าเจ้ามวนสื่อเนี่ยมวนสื่ออยู่ทางนอกและยังมวแล้วแม้แต่วัดกันยังกลับเข้ามามวนสื่กอกันอีกยังมีกิน่นยังมีดื่มเข้าไปอกีก ว้าหลายกบกได้เพราะว่าเขากระจายอาศัยกับเจ้ากัว่าแมนหันต้นกบ่เคยเว่าวจะเถื่อแต่มันมีอยู่ในใจอยู่พอออกมาลายมันกบ่ได้สะนั่นจังว่าอยากหายออกตนญาติโยมเนี่ยพออยู่ในหลัดนี่เนี่ย ได้สักส่วนอวนต้านเอาหม่เอาคูเอาลูกเอาล้าน อ, าอัตมานี่ก็ว้าโย์คืองานปฏิบัตินี่ก็ส่งเหตุหนังสือแล้วก็ส่งออกไปอธิบายว่าการปฏิบัตินั่นก็ปฏิบัติแบบใดอ่พอว่าล้างเทือ ก, ก็เจ้าหันแบบในลักษณะนี่คืดง้อ ขืดงอว่าเออต้องมานั่งเออนั่งสมาธิบทิิงบทิงออยุงกัดกับบตบุบอย่างสิข้เจ้าก็เลยขืดงอว่าห้ยเขาคือสิเหุมาได้ดอกออแต่ว่าคืออันนี้นี่นั่งใสก็นั่งได้นั่งโตนั่งต่า ง, งนั่งจู่ใสก็ได้ก็คือสิเหมาะสำหรับกระเจ้านะั่นนะ คนที่ขุดยากกว่าซันเท่าเออแต่กะอธิบายออกไปส่งขา่าวส่งขา่าวออกไปแต่กะหาผู้ที่สนใจนี่กะมีน้อยหน่อยจักหน่อยว่าหน่อยละ่ะเขาว่าปฏิบัติกันอยู่นี่กะจักเถื่อแล้วเนี่ยพอดาวงเป็นเถื่อที่สามที่สี่หรือวันนี้เออเจอเถือถ่อที่สี่ หาก็ได้แมเปลี่ยนก็เมเลกมาใหม่ <laughs> เออแมน <laughs> มันก็แมนอยู่นั่นก็เห้าบวชทันได้เห็ุเท้าบ่ชทันได้ทําแหละเห้าก็เลยบบหู้แต่บานมาจมน้าเห้าหนะ่ะจมโอ้ยนอนบวลับเออจมเมือ่อยจมนอนบวรับนฮะ ปัจจมบนี้ดีาบาดพามาประพฤติปฏิบัติแบบนี้สิ่งที่จะพาให้ตัวเองนอนหลับนะเศร้าขิดแบบพุ่งสั้นนะนะดแบบไล่ๆขิดแบบบกปงบาว่างนะปัดขึ้นบอกพากันมาเอา่อทั้งๆสิว่าสิ่งนี้นี่ได้ที่จะสวยเฮาที่แท้จริง จะเป็นพยาธิอ่อนๆแอดแอดเจ็บนั่นเจ็บนี่อยู่พอป่านนั่นแต่ละมือโจมกันอยู่เเดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เดี๋ยวก็นอนบอดรับเอเดี๋ยวก็ฟันให้ฟันขาดอยู่พอปานนั่นกับโทรมาเล่าให้แต่อาจารย์ฟังอาจารย์กะจัก Care, จรริ้พีแก้จังไดเละมันอยู่ในจิตในใจของภัยของมันเนะเาะกับไหวพาสวดมน์กับไหวพาสวดมน์เห้ียู่ก็บได้วา่า แต่ว่าไหวพามั่นกัอาตมานี่อาตมาไหวพาภาวนานี่ก็จกบริขืดว่าจะไปแผ่เมตตาให้ทั้งใดทั้งอื่นหรอกก็คือจะว่าแผ่เมตตาให้ตัวเองนี่ก็ยังพอแห้งแล้วแต่จากสิ่แปลฮะแผ่เมตตาให้คนอื่นได้ยังไงแต่ว่ามันกับเพราะเป็นกําลังใจว่าซันทอคคันว่าโอ้ย เออโทรลงมาได้ว่ า, วาน้ำพอแม่ค็บาราจานกะเออก็ว่าดีใจเอาก็าดีใจก็พอปลาเล่าปลาโลมไปวันวันั่นแหละสามหอดมือตายคันชิว่าแล้วก็ได้เออแต่ว่าคันมาพอเผดปฏิบัติอย่างซีนนะมันสวยตุนเองกินบัแซบนอนบัรับกับสิ่งนี้แหละทีจะสวยเขาหลายที่สุดก็ได้เป็นถูกข่าเวทนา ในจิตในใจก็มีแต่สิ่งเดียวท่นนี้ที่จะสอยเขาขอให้เขาได้มาประพฤติปฏิบัติสนั่นกาสิ่งที่ที่หลวงพ่อเพิ่นมาประพฤติปฏิบัติออกตนญาติโยมพามาประพฤติปฏิบัติก็อยาไห้พวกเขาเออออกตนญาติโยมว่าแม่รมรครูบาอาจารย์อยู่ในหลัดเท่านี้ ได้ตั้งโมกตั้งใจได้ประพฤติดได้ปฏิบัติถ้าหากว่าทุกคนเข้าใจพวกเข้าเข้าใจถึงว่าบุญมิพนเข้าเข้าพากันเหตุเข้าเข้าพากันปฏิบัติได้คือกอารสนานการอัตมาเวรมากับสมควรเก็บเวลาสาธุ <clears> Thank <throat> you.